วันหนคื น, นึมีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งที่เหมาะสําหรับการมีชีวิตวันหนึ่งคือหนึ่งแล้วก็จะเป็นต้องใช้กับทุกๆคนด้วยที่จริงมันมีหลายข้อหลายคําำว่าเราเลือกไว้ข้อหนึ่งวันนี้จะเลือกในหัวข้อที่ว่าความอดทนความอดทนหรือขันติอันนี้เป็นธรรมะที่สําคัญสำหรับจะใช้กับทุกๆ ท, ท่านเลย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 บนไม่ร้องอดโอยให้เป็นที่น่าราคาญของคนใกล้ตัวแล้วความเจ็บปวดวก็จะรุนแรงขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเราเอาร้องอดโอยออกมาเนี่ยตัวเราเองก็จะลําบากแต่ที่ความเจ็บปวดจะลดน้อยลงกับเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเพราะนั่นความเจ็บปวดเนี่ยถืว่าต้อ ง, ต, องต้องอดทนแล้วก็ทนให้ได้แล้วก็ความหิวเนี่ยต้ออดทนต่อความหิวความกระหาย ความหิวความป่วหายเนี่ยมันเป็นความทุกข์มันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเราต้องรู้จักที่จะอดทนอดทนต่อความหิวกวาหายซึ่งเป็นสภาพที่เป็นความทุกข์อั น, นที่อีกข้อหนึ่งก็คือความอดท น, ดทนเกี่ยวกั บ, กบเรื่องความร้อนความหนาวเรื่องของอากาศซึ่งเราห้ามไม่ได้เราบังคับไม่ได้เราก็กลุมไม่ได้มันร้อนเกินไปเราก็เป็นทุกข์มันหนาวเกินไปเราก็เป็นทุกข์ จะหาความเป็นบดีนั้นยากมากนอกจากเราพยายามที่จะแก้ไขแก้ปัญหาตัวเองนั้นก็ไปอย่างหนึง่งแต่ถ้าเราแก้ไขไม่ได้มันร้อนเกินไปก็ต้องรู้จักอดทนมันหนาวเกินไปก็รู้จักอดทนทนเพื่อใครทนเพื่อตัวเราเองนั่นแหละอันนี้จะเป็นส่วนของร่างกายที่เราต้องเจอนะจะป่วยไข้หรือไม่ป่วยไข้ก็ต้องเจออาการแบบนี้แหละน่าเจ็บปวด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 ทางด้านร่งกายแะจิตใจมีความแข็งแกร่งแข็งแรงเข้มแข็งมากขึ้นและที่ําคัญคือถ้าเราอดทนเพื่อตัวเราเนี่ยเราจะมีความสุขเพราะเราสามารถทันในสิ่งที่ที่เป็นความยิ่งใหญ่สำหรับตัวเราโดยตรงเลยนีมันจะเกิดความกล้าหาญเกิดความภูมิใจอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นปลีกย่อยๆและอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราไม่หนีความเจ็บปวดไม่หนีความหิวไม่หนีความร้อน แล้วก็ไม่หนีอารมณ์นี่มันบีบคั้นจิตใจเราแล้วก็ไม่หนีความทุกข์นั่นแหละเราจะโชคดีเราจะเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากรูปนามขันห้า ค, คือคือความทุกข์ เ, เมื่อร่างกายรูปนามขันห้ามันแสดงความทุกข์บ่อยๆเราก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคลายความยินดีคลายความยึดมั่นถือมั่นเราจะหลุดพนน้นจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันห้า เพราะว่าเราเห็นความทุกข์มันแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากยึดมันถึงมันอันนี้คือเป็นการหลุดพ้นในทางธรรมรือว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นส่วนทำให้เราเห็นธรรมได้เห็นทุกข์ตไองเห็นธรรมแต่เราต้องเห็นแบบรู้จักอดทนสักบ้างแล้วก็จะรู้ความจริงของตัวเรา